ในการดำเนินชีวิตของเราต้องข่มใจ ไม่กระทําสิ่งใดๆที่รู้สึกด้วยใจจริงว่าเสื่อมต้องฝื้นต้องค้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบัน่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรม พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการฟังธรรมเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากประโยชน์ของการฟังธรรมเนี่ยมีหลายข้อหลายอย่างแต่สลหรับวันนี้นี่เราจะชีย่ยวเห็นว่าประโยชน์ของการฟังธรรมเนี่ยเป็นการสำรวจตัวเอง เป็นเวลาส่วนตัวจริงๆมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองได้ดูตัวเองการได้อยู่กับตัวเองหรือดูตัวเองนั้นเท่ากับว่าเราได้ทบทวนชีวิตของเราสิ่งนี้ก็ตามที่ควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหลังาที่เรากาลังทบทวนตัวเองนั้นเนี่ยเราก็จะรู้จักวิธีการและเข้าใจตัวเองมากขึ้นการที่จะมาทบทวนตัวเองหรือดูตัวเองนั้นไม่ใช่ว่า จะส่งเสริมให้มกมุ่นอยู่กับตัวเองเก็บเอาอาดีตมาคิดมาเป็นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นการทบทวนสำรวจตัวเองนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นหรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันพัฒนาสูงยิ่งยิไปเป็นการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจเพราะการที่เรามาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองนี่แหละ อย่าน้อยเราก็จะเริ่มเข้าใจชีวิตของเราหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราว่าเขามีธรรมชาติเป็นอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยเราสังเกตดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างที่มันได้แรงใจปรารถนาเราสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งตัวเราด้วยไม่มีอะไรได้แรงใจเราเลยมิติความเปลี่ยนแปลง เปไปตามเหตุตามปัจจัยขอเขาทั้งนั้นอย่างเช่นว่าความพัดพลากความสูญเสียความเจ็บไข้ได้ป่วยสามีเราภรรยาเราลูกหลานของเราความสุขความทุกข์ดีชั่วถูกปิดอะไรต่างๆเนี่ยเราควบคุมอะไรได้ไม่มากควบคุมได้ชั่วคลาวไปของชั่วคลาวสาหรับชีวิตเราทั้งนั้น แม้ว่าเราจะพยายามแล้วจะพยายามควบคุมปรับปรุงดัดแปลงเพื่อได้อย่างใจเรามันก็ไม่ได้จิตใ จ, จเราคิดสักทีก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวทำให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกของเรามากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้เป้าหมายของการใช้ชีวิตและก็วิธีการต่างๆที่จะดาเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยให้เป็นทุกน้อยที่สุด ถ้าเราไม่เข้าใจเป้าหมายของชีวิตและวิธีการดาเนินชีวิตแล้วก็เราจะเป็นทุกข์มากความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นเป็ไรก็ตามเราจะเข้าใจชีวิตเราได้นั้นเราต้องกลับมาดูชีวิตของเรามาดูตัวเราให้มากยิ่งดูสิ่งภายนอกนี่เราก็หลงลืมตัวเราลนะลืมกายลืมใจเรามันก็ออกนอกตัวไปทุกทีสิ่งภายนอกนี่ก็บอกแล้วมันคือ น, นอกนอกนอก ถ้าดูตัวเราเนี่ยมันจะเข้าสู่ชีวิตจิตใจของเราเลยถึงจิตถึงใจเราเลจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นดูตัวเราแล้วทุกจะน้อยลงถ้าดูข้างนอกเนี่ยทุกจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นดูตัวเราความสุขจะมากขึ้นถ้าดูข้างนอกความสุขมันจะน้อยลงเมื่อได้ปฏิเสธให้ดูข้างนอกนะเรามองข้างนอกมองได้แต่ให้น้อยหน่อย แต่มองตัวเราให้มากหน่อยเราจะได้ไม่ไปกระทบกับสิ่งภายนอกมากนะักการจะดูตัวเราได้นั้นต้องอาศัยสติสติในเป็นเครื่องมือดูชีวิตจิตใจของเราก็คือการเจริญสติในแต่ละวันแต่ละขณะแต่ละนาทีวินาทีนี่แหละการเจริญสติแล้วก็พูดมานานหลายครั้งหลายคนเราต้องเข้าใจ เป้าหมายของการเจริญสติแล้วก็วิธีการอันนี้สำคัญนะเข้าใจเป้าหมายจุดมุ่งหมายของการเจริญสติว่าเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรแล้วก็วิธีการต่างๆเราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอามาใช้กับชีวิตเราได้เช่นมาจุดมุ่งหมายของการเจริญสตินันก็ไม่เจอเพื่ อ, อพินิหารอะไรหรอก เราจะระสติก็เพื่อให้มีสติระหึกลูลงไปที่กายที่ใจของเราในขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ดูให้เห็นความจริงว่ากายใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่แท้จริงเพื่อว่าจะได้ถอนความเห็นผิดและความเข้าใจผิดว่ากายใจของเราเนี่ย มันสวยมันสุกมันเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็มันเป็นตัวเป็นตนมรกจริงๆมันขับได้อะไรอย่างนี้ยเนี่สิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว่าวิปลาสธรรมคือความเห็นผิดจากความจริงเพราะฉะนั้นเวลาเราจเจริญสติแต่ละครั้ ง, งเช่นว่าเรามารู้กายที่มันกาลังเคลื่อนไหวหรือรู้ลมหายใจที่กาลังหายใจเข้าหายใจออก หรือรู้อยู่ในอิรยาบทใดก็ตามของกายเรารู้ไปเรื่อยเราจะสังเกตเห็นว่ากายเนี่ยมันไม่เที่ยงบางทีมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาจากกายคนที่มีสติเฝ้าดูกายอยู่เนืองเนี่ยสิ่งที่เห็นข้างหน้าคือความทุกข์ทุกกายเนี่ยเขาจะแสดงตัวมาให้เราเห็นชัดเจนเลย ยกมือเคลื่อนไหวไปนานๆเรือร่วมลมหายใจนานๆดูอิเลียบท่างๆงนานๆจะเห็นว่ากายเนี่ยมันมีทุกข์มีความเมื่อยความปวดเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากกายเป็นทุกขเวทนาหรือบางทีทุกกายยังไม่ทันเกิดขึ้นเห็นจิตมันคิดขึ้นมาแล้วหรือเมื่อจิตไม่คิดกายไม่ทุกข์ จิตปกติสงบสงบอยู่มันก็จะมีความง่วงเกิดขึ้นมาง่วงเหงาหาวนอนหรือเกิดการเบือ่อขี้เกียจท้อแท้ในขณะที่เราตื่นสติก็ย่อมมีแสดงออกมาเหมือนกันนะเรื่องของจิตเนี่ยก็มีแต่เรื่องของกายแล้วก็เรื่องของจิตเท่านั้นแหละที่เขาแสดงอาการเหล่านี้ออกมาจะเป็นอาการที่เป็นทุกข์ทางกายจะเป็นความคิดหรือความง่วง หรือความเบื่อหน่ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ในภาษาวัดวัดก็เรียกว่าสภาวะธรรมนี่แหละคือสภาวะธรรมบางทีเราสงสัยสภาวะธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกายจากจิตนทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกอาการต่างๆเรารวมเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมบางอย่างเกิดมาแล้วเราพอใจสภาวะธรรมบางอย่างเกิดมาแล้ว บางทีเราไม่พอใจนะเรา อ, อยากนั่งนานๆมันเมื่อยมันปวดเรามักจะไม่พอใจแหละความไม่พอใจเนี่ยอันนี้คือสภาวะธรรมหรือบางทีเราจิตสติไปนานๆจิตมันสงบอันนี้ก็คือสภาวะธรรมแต่มีกกจิตหนึ่งที่เกิดต่อจากจิตสงบคือความพอใจในความสงบอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมใหม่กเกิดขึ้นมาแหละไม่ใช่ของแปลกเลย สภาวะธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากทางกายทางจิตบางทีเราไม่พอใจเวลามันเกิดความทุกข์ความเบือ่อความง่วงความคิดที่เราไม่พอใจเราผิดลนะเราไปขวางโลกของความจริงละมุ่งที่จะขจัดทำลายให้หมดไปซะทำลายความคิดเพื่อจิตมันสงบเราทำแบบเนี้ยเราจะไม่รู้ความจริงของชีวิตเราเลยนักปฏิบททัติธรรม ก็คือนักศึกษาทำหน้าที่ศึกษาสังเกตดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากทางกายและทางจิตอันนั้นคือความจริงเรากำลังดูความจริงแต่อย่าหนีความจริงหรือทำลายความจริงทิ้งซะกายจิตแสดงการอะไรออกมาให้เรารู้ไว้นั่นล่ะคือความจริงอย่าปฏิเสธเราจะเกิดปัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้นะเพราะสิ่งที่กายจิตแสดงความจริงออกมา ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราขาดสติไม่รู้เท่าทันในความสงบหลงติดอยู่ในความสงบอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าจิตมันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในวรมต่างๆถ้าเรามีสติรู้เท่าทันว่าอ๋อจิตมันคิดปรุงแต่งเพียงแค่รู้เท่าเนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการเจริญสติเนี่ย ไม่มีการบังคับไม่มีการกดข่มอะไรแค่รู้ตามความจริงที่เขาแสดงออกมาไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องดัดแปลงแค่รู้เฉยๆสงบเราก็รู้ว่ามันสงบมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟาุ้งซ่านขอแค่รู้เท่านั้นละก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราจะปฏิบัติทาได้ง่ายขึ้นก็ตรงที่เรารู้เท่าทำในอาการต่างๆ เมื่อรู้เมื่อดูดานานๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาก็าเรียกภาวะผู้ดูเมื่อมีการดูก็ย่อมมีการเห็นนะวิปัสนาเนี่ยต้องดูแล้วเห็นแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยบางทีไม่เห็นดูกับเห็นที่ต่างกันนะบางทีดูซิดูซิบางคนดูแล้วยังไม่เห็นดูอะไรลงมาในน้ําดูน้ําไม่เห็นอะไรในน้ํา แต่บาคนดูแล้วอ๋อในน้ำมีปลาการดูแล้วเห็นเนี่ยคือวิปัสนาเมื่อดูดานานๆดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะได้การหลุดพ้นระงับจิจตใจตาแหน่งที่ดีที่สุดของผู้ปฏิบัติคือการเป็นผู้ดูนี่แหละเนื้อชั้นเนือเมฆเนื้อทุกไม่ต้องเข้าไปเป็นกับสิ่งที่เราดูสบายเลย ดูของจริงในชีวิตเช่นอะไรเช่นกายเราดูกายดูใจบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นธรรมนะการเห็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เห็นสิ่งที่อภิธิหารแปลกๆที่นอกเหนือตัวเราไม่ใช่เห็นเลขเห็นหวยเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์เห็นพระเจ้าหรือเห็นญาติที่ตายไปแล้ว มาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ใช่วิปัสนาอันนั้นไม่ใช่การเจริญสติอันนั้นเป็นเพียงสมาธิที่เกิดภาพนิมิตที่จิตเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่ของจริงอาจจะเห็นจริงแต่เรื่องที่เห็นน่ะอาจจะไม่จริงเห็นธรรมคือเห็นกายเห็นจิตเราแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวกายเราก่อ น, นั่งเดี๋ยวกายเราก็อ น, นอน เดี๋ยวกายเราก็ยืนเดี๋ย <Dance> วกายเราก็เดินเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้จิตมันคิดคิดดีคิดไม่ดีประเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็ขาดสติเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้จใจมีแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ใจมีแต่บ <perhaps S 1> ุญกุศลอย่างเดียวในจิตใจคิดดีๆก็ไม่ได้หรือใจแต่มีสติล้วนๆตลอดเวลาก็ยังไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัย อันนี้คือผู้เห็นมีดวตายที่ทำเนยคือเห็นตรงเนี้เห็นความจริงของกายของจิตที่เขาแสดงตัวออกมาเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ปลอดภัยพ้นภัยถทว่าเป็นภูมิคุ้มการทางจิตก็ได้หรือภูมิคุ้มการชีวิตนั้นคือเห็นธรรมะเห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมดา